กะกขแก้ห้องปูกีเกียมห้องวันปุกวัดแผ่นพระเทพดีๆัแต่ปูกอพระเทท่ายันปกอ๋แนวนึงอีกนั่นมิตบ้าบ้าปูกรเทศทีฟังกับบ้าเทพคือากันครับฟังกับบ้าฟังกันบ้าบดเอารดบ้ามือรัฐบาลกับบ้าประชาสนกับบ้าพระกับบ้าวิตบ้ายึดใการเอารด โคตรสีมาไหลโดตอยากให้มาสยญญุในโลกอันนี้วันเถอะโสู้อ้สูกโสูโสู้โสูอสูสู้ะไรห้ยกข้อขาวสูก็ะไรออสูไรกองแขนกองขาเอาไปตุกเลขวครให้กามัดหน้ากามัด ไ่ยหม่ให้ม่่อยใหม่้ใหม่ต้านให้น้ายังค่อยไหม่เรียกม่พามใหม่หมดอดหลอดทัด้งทับทั้งสีนเขาปัดหน้าทังผีกายนลยคนเระยว่างเครื่องคนเหะมีเงินหลายลาย้านไปเดีเลขมลดต่อรดลอาบหน้า ม, มันจะผ่าทายลรค อ, อาบทั้งตัเลย ถ้มันปีเป็นเดือนมากก็ไม่งั้นบินน้ำมันมันมันมันมวยผาไทยเงินหลายล้านเนี่ยเหรอบอดตลอดไปเฮ็ดงานแาวขาวกระบะเอาท่อเงินหลายล้านปันนี่เว้ยเฮ็ดตจทั้งปันนี้แลวข้าพระเจ้าวอชาใค้เพิ่งเฮ็งานนําแล้วเว้เสน่า์เยเขาเจ้าองไดใดาเลมันเป็น มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติมันเป็นมนุษย์วนบัตรตัวก็เป็นมนุษย์ในบัตรอสวรรค์สวรรค์ ส, สมบัติที่มาจากพระตูไดไอซ้อนมนุษย์เอาตรงๆมันส้อนฝาซ้อนนิ่งฝาเนี่ ย, ยมันกลายมาแล้วที่คอยมเมรัยโอ้ใครจะหาอะไรมือนะพันล้านบาทกระซังคันพระเท่า เ, เาด่เนเะด็กไปตลอดขึ้นเราหรือวม่ดีเกิดคาเกิดแกงมันได้ครอบครวกนะันละบอกฉันว่า เต้าล้าเลีงแตกเส้นเส้นเส้นสันไปบึ้กแตกควัมเงนเนี่ยไม่ทราบแตกควเงินก็เลี้ยเลี้ยอ่เง้อกมานี่ยเครื่องเนที่พอเขาเนี่ยเป็นน้าเจาะเป็นน้าเจาวะอีแอ้วกนี้มนๆ่ะน่าโมล่าบ่อเจาแตกกันที่หันดวงเต้าบ่เี่บ่นอบอุ่นมือบ่นทนแตกไปอีกที่กันล่ะไปกีโก๋ขี้เกล่บ้างไปอีกปุ่นบ้าง ไปหาหมูกระเทยบ้าตัวมันแต่ออกไปจากเสรนั่นก็แต่ออกไปจากละใบยมุกกะโรคเนี่มันเรียนละใบยมุกหัวก็ถึงผ้ากันมาเห็นโทษไปคุ้นรูดระเบิดออกโอ้ยผ้ากันให้ำรูกระเบิดแส่หัวกันทำไมมันจะเลิศมันแหลกหาวน่ะเออเดี๋ยวปาหานวสิาสียแจกก็ว่าไม่ขาจะกันร้ายอะนะแม่นบอ ประเทศญี่ปุ้นมันเฮ็ดเงี้ยพวดไรมันแรงไปเด้เดีย๋ยวตงมันสินนำกดมันว่าท่านมันที่เห็นเจ้คู้ดักมันที่มองกล้องนึ่ถิได้ผลเรื่อนบอ่อนั่นเพื่อนเสียนหาท่านละ่ะโลกสงวบแล้วกระรางกับโบมี่คุกกับโบมี่เรื่อนจำกับโบมี่ กูขับตลากเขาเลื่องจำอันเดียวกันหะยังไเป็าจังหวันตัดเป็นต า, า, นตาเตาจริญทั่วโลกอะ่ะถ้ากันเฮิหิหมกันเรียนโบเรียนเบียเรียนบัตเรียนเบือโอ๊ยยยยยยยนยยยนยายยยยยายยยยยยยยยยยยยยยยบยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย่ายยย่ยยกยยยยยยยยยยยยยเงยยยยยยยยยยยยยยยยยยย แั่ใคยแอร์พอค่าผู้เจ้ามือเขามีเงินหลายเดียเขาเสียชาวร้านส่วนเป็นจำนวนร้านสิเขาเสียเป็นจำนวนมือหนึงสิก็ยังเสียเปล่าเขาอยู่นึกจำนวนพัดนึ่งสิเขาไ่พ่อสีหนาวเลยพ่อปันนุ่งตะกัดสร้างส่วนที่อะไรทีตายแค่ไหน อ้าพ uhm, ีน้องอ่ะเหี้่ยภาคกับเาซะนนึงเศร้าเยะแล้วเราเอ็กันได้รสีร้ายโระบาดเลยเศร้าดะจะได้ฟรีดเศ้าเออยิบยิบกิบยิบหลบยิบยิบหลบใส่เดือนามื่ปีน้อง ไม่พาไม่ผ่าเลยพอไอแม่คอยผาปฏิบัติเพื่อผล e i mean ท, ทุกนะวะตาทศสารมู้ตระเบิด่ากับวัตถ <Yeah. S 1> ุบัดามเด็จมู้ตผมาไปหาุมเด็นมู้โตผลเอามาบอมเพลนมาม่งเพลนเออุมเดเพลินถือถือช่วยหน่อเอามาให้อาตมแม่ได้เด้อ่ขันัตถก่อนเลซื้อมาให้อาตมาอาตมาแม่เถอะจอาตมาฟันยังสั่นอาตมาฟันยังเคื่อนเตัวา คือทีเป็นเลขนั่นคือทีเป็นเลขนี่ถตัวอ่างพันไปบินสบายมานเพรก็ดางสัมร่วมดีก็ผู้ขานี้ผู้ขามันมพระนั่นเนาะมพระทั้งทินทั้งข้ามเาพระเลี้ยงพระคางผู้พนทั้งชิ้ทั้ง้ามพระเพิระบัตรเลี่นเลี่ยน้านบัตเินเบอร์พันสัมรวมกับพระนั่นย่านนี่หยับชิไกล้กับพระแตกไปสบา้กทนเงิน ได้กใค ร, รสักหักเบสซอเลยขีกกบอะไรแม่บวสพระ่ า, า, มายามุกซุกซิบนโลกกามรอษาโรเกเขนี้จากถ้ำข้าสอนเุ็นคนเจ้าวิคารำนอกระเทเหยบยำตีเป็นเลขเป็นถาแม่คิดหายเอาสาสสตัวสั้งใจโลกธาตุ มันเป็นอุบาตไฟใหม่โรคโรคกาท่นพูดว่าปัญญาเพงก็ไล่ผีออกพาพระพุเจบอกยาไรกระท่ำเม่อวันมันกลว่าโรคข้าาเปียนคือกันได้เลยเมื่อครู่แม่เผยมันกล่ว่าโรคข้าว้าเปียนแมนบ่มันกล่ว่าประชาธิไตยมันเมื่อวันแมนบ่เมื่อครู่แม่เผยมันกล่ว่าประชาชิปไตยมันแมนบ่ นั่นนึกว่าทั้งคมนี้ก็มั่นแน่นบ่นั่ น, น, น, นบ่นนโตบ่เห็นไฟอันนี้เข้ากับโอ้ยมัดไปชะนอสองเกิงน้มือเจอหน้าผากไปกระโ ด, ดข้าวมือกูบ่เห็นพระนาคพันธ์เอาทั้งหลัดเออบ่หลังปีงเงียบปีงเงียบทั้งหาเอา ใส่สายปา้ามาไว้หลายๆวันหนงใส่เงกธนาขั้นเด็กใสาา่สยยไม่ผู้ไม่ผู้สมรักจักธนาขั้มาในโลกอันนี้พวมีเด็ใสาเน็ต่อะไรไ ม, ม่วัาธนาขั้นเร็กพวีแต่พวกน้วธนาขั้นขี่เท่าไว้ทีเห็นอย่างาพื้นไปใส่ไฟเพื่อสิแดกเอาโดนก่อนขึ้นมาจักอยหาปู มองสั่นว่าร่งห้าน้าสมุนทะเลร่องที่แหลกกับเพียงตุงขค้อลร่งฮาลุ่มข้างแข้งหัวเข่เรื่องมาอีกเพียงข้อเพียงข้างขื่นทัพมากค่ะกินน้ำลายเอื้อยเอือยด้วยชนะเนี่ยเมื่อกระลุดมือ่อขืนฟังผลนม่พ้ายการะลุดมืแอ่ะขอกระตายข้าราตัว เมื่อขาไปพายไปงั้นคำสอนของคนในเจ้ามันสัดขึ้นฟังหมดนั่น่งที่จากของจากของตายแล้วมันสัตว์ขึ้นฟังอีกเรืองนึ่งเนยมันมักเก็บไว้ดอกตบอ่ะนั่นถ้าะเูแล้วยาสต้าพารโรมันจะเป็นเปโตเพเน่าได้หมออเพราะฉะนันท้ามันจีบหายเขาถิว่าบรรยัตแต่มันจะเลิศเห็จากไหมันจะเิศอีพอยอีแม่กูเอ๋ย เือเขาห้อห้อสิ บ, บัญญัติระดับตาลประเนรไมันก็ัวเปลี่ยนไปได้แล้วรสร้างว่าบาราเพชรอโอ้ย่ อ, อยแม่เ้ยยิดใหญ่เ่ยสมัย้อจังืตอตัยอยยแผลสร้างว่ารับ ร, รัฐบาลข้าเจ้าเหรีย ขาเจ้าจเอาเงินหลวงผลมาเหรนนะขันจีพหายกับมันเท่าจีบหาน้องข้าเจ้าว่าใช่บ่ามันจีพหายแต่ข้าเจ้าคเดียวเดี่ยเท่เอาเงินขายปอไปเล่นเอาเงินเดือนไปเล่นเอาเงินขายเสื้อขายของน้ำมันถังไปเหรียญ มันไปรับแขกที่ประเทศญี่ปุ่นมันไปพ่อเห็นได้มันก็ไปพราะมันรูปเลขนี่แล่ทั้งอ่อเทะมันรับแขกที่ประเทศญี่ปุ่นอันพุทธพุทใต้ก็คือกันฮะไปโต้งานที่ประเทศญี่ปุ่นกับพ่อเลขนี่แหละอันนี้น้ำประเทศไทยเขาพูนก็คือกันฮะมาลองมองแงเนื้อต่อน้ําหอยน้ําหอยน้ําหองนู่นรูปเลขวัดนี่แหละ คันผู้ขาเบาหผู้กาเาหัวอาจารย์เอาเร่งเถียงกันกัาเขาหลายปีแล้วเข้าเนี่ยเถียงโอ้ยพ่อแม่ผู้อาจารย์ ไ, ไนี่ยวะเนี่ตัวคนกบมือพร้อมอยู่คนมาหาพ่อแม่ผู้อาจารย์กันมาหาหดืยังเขาพ่อแม่ผู้่าอาจารย์เขาทวัดอื่นเข า, า, า, าเทีวัดสอบพขพุทธศาสนาะเขามีเกียดเลยวะกัน ม่ผมเรกของพาลานพ่อแม่คู่บาอาจารย์เน่พระพุทธศา ส, สนาเขาเสียเลยวะดีรับให้ใครใครให้เ่าได้ได้รับพนาวยพ่อแม่คูจนเ้ารพใจว่าเรียกมันเป็นทาง้งจะริ่ทังมนุษย์สมบัาิบอก่เอาท่านท่านพ่อแม่คู่บาอาจารย์เข้าใจว่ามันเป็นงจะเรื่นมนุษยสมบสพ่อแม่คู่บาอาจารย์ก็บพถรท่า่กันล้ ว, วัดเสนโต เดี๋ยวาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไปหาเรา้านน่ะว่าไาหมอทันเ้ยโอโห้กัาละหอเดี๋ว่าเนยาเดียวว่ไปหาเาบานนะมาหน่ะเอ้าพ่อแม่คู่บ้าอาการเด็กคนเรีนเลขเรียนภามาเป็นมู่เป็นเพื่อนลาดหนึ่งทอนแต่ผู้ไม่ชินไม่ท่อมบาเป็นมู่เป็นเพื่อนผู้หนึงบอกว่าจัด ไ ม, ม่ติดใช่ไหเอะกว่าพุทธศาสนาหาน่อยว่า้เราเอาสิว่าผัวเมพิจกันมัน้งนะแล้วเ็ไมยังมาเล็กนี่แนมนาเอาใบยมุกนี่แน่อแต่แข่งกันไปเที่ยวกัวก้งคผัวเมอะไรสวนี่แ ม, ม, ม, ม, ม, ม่นว่วาใดีถึง่ผัวไปแม่บ้าน เห็นอาว่านวตเมตัวสมัยสมอนี่บว่ากายสองการมาปแล้วบอกเนีลวกอันนี้เมีนบอก่าไงดีเออลงปูมหาไซ้ซื้อไม่ได้ไม่ได้เด้ตองการมามาแต่ได้เพราะว่ามายถึงสองการเดียนเก่ามันก็ยังมีแ่หมเลิกเป็นมนุษย์เลิกว่าเป็นมันมนุษย์เลิกว่เป็นมาันรรค์ลงปูหาบัวเพ่เพงเพงเลยเข้าก็ลุงทักเพลินแล้ว เรัมัดกระเพาะไปเล็กสะพานตบัตรไตเบิเกน่อาไว้ยมุกทุกประเภทเนี่ยเป็นทั้งจิ้มายวัดที่เป็นปัจจบัทั้งเลยเคยได้บวชไหมเคยไหมกีพันธ์ษ า, าฮะลักชายบวชนะใช่อะไรนะใช่อะไรนี่นะฮะแท้ตั้งเนะออแท้ตั้งเยอะเยอะแทตั้ง รถก็ยอรถตั้งได้ดีของแท้ตั้งหรือรถตั้งได้ดีเ <c oughs> ออคาสอนในไตรโลกระถ่เป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาหมดน้าห้อยน้องคลองบึงบางต่างๆไร่ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไร่ลงสู่คาสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอง เชื่อแม่ทางสูงเชียงทิศจะมีกี่หน้าก็ชี้ไป็นทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดใดก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนที่พุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวช่านนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้เท่าว่าไปทางไหนเท่าไปทางพระเจ้าเขาข่าพระพระเจ้าเท่าไฮ้ประสาทข้าพระเจ้าเทาบอมี่หรอกบ่าสอนลูกยุคไหนก็มาเยอะ มนุษย์สมบัติบอกแล้วเวทอาวัในมุขทุกประเภทเรียกว่ามนุษย์สมบัติค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นไรเนื่อสัตว์เทิดรัตัวข่าเผาเป็นอาหารค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษการค้าขายเหล่านี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ให้ประกอบค่าขายเครื่องประหารอ๋อแล้วก็ว่าข่าเจ้าทิห้างเซนนี่น่ะในพวกอเมริกาอะไรพวกรัสเซียอะไรขาเจ้าเป็นยังไงห้างวะจันแรกกระเจิงมัก เราอาวายมุกข่าว่าในประเทศไทยตู้วยอยางนี้มันข่าว่าในประเทศใจของเข้ามัแล้วเพราะว่ามันข่าวว่าประเทศนั้นประเทศนี่วิวน่ประเทศใจอนศักดะ์ศรัทธาด้ายุหันล่ะยศศักดิ์อาวายมุกกับมิตรบุรุษวงอาวายมุกท่านล่ะยักิ์สิขานกับมิตะมันท่าน่ะเื่องขาว่าให้ลรอกปูนล่ะล็อกปูเป็นโรคหัวใจอ่ะ กูนก็เี่ยวนสูเร้าสูบุหรี่สัู่ที่เศร้าได้บอกว่าสั่อยาจะเศ้าอะไรก็จะสูบอยังสูเปลียนไม่ว่าสูบได้เศ้าอะไรเสียว่าตัวมีปัญหาอย่างไรเขาพักตัวไรออกพักตเป็นสีว่าตมีปัญหาอย่างไดเสว่าอย่าแล้วพูเทยันไหนสั่งเขาก็าไปยกข้ปากแล้ววะมันก็เร้าตัวบางทีว่าข้อปากเข้าบอกว่าอกระไรมาส่งมันก็ได้อ้เรองหน่ะในร้านีเราสูบยาเศ้าอะไรเนี่ยนะ เลี่คือกรันตะเห็นเอามันบมดีฮักกับเศ่าทั้งตัวเฮาจะแฝงหายแฝงมาเศร้าเด็ดอันนี้ร่องวัดชนาจจิบหายวอดจะจิบว่ามีสินุ่งร่างวัดชนาผีบ่ายอย่งกระดูกเดียวเจาบอกจะเล่นมานีเอาหนึ่งยังสองยังมันได้เอาพี่หน้ามัรู้หน้าทองไรเงินทองไรบ้านหนึ่งลูกร้านเขาก็มาเชียงเขามาเชียงเขาันนั้นมาทั้งนี่ โอยเทียได้ไม่ยังได้ยูเน่ลองปูาสั่งเอ้าส่วเรมานี่หลายปีแล้วอะช่เหรนมานี่หลายปีแล้วัิบกว่าปีแล้ววะขัดมาช่วยดกุิถามแล้วซูจะฆ่าหัวหน้าสูไปไสหน้าทงยในเมืองมนทางรอบเมืองรอบยูวะขัดจงใหม่เรื่อยๆบตรบัตรจีบหลานนหน้าทงหังบั่รบัเอ้าูเอาไปจำสองล้านสูเอาไปจำสองแสนเนนบอกว่ามิดอดทอนวะหอดไทยขึ้นมาบ่ไห่ะ หน้าตัวหน้าตัวทองยุบแย้ตีนบ้านเน่ตะการตีนบ้านมีหลายตายอยู่ไปใช่ไหตครับตะการทั้งนนทอนมีหลายตายไปใช่ไหมครับสวนบันหนวได้ไปใช่ไหมครับสวนบางงางได้ไปใช่ไหมคัเงื่อนช่วยนี่เลยสวนบางง้างคำนี้เก็บไปได้เยอะหลักที่ี่านนะครับแต่ว่าตงนี้นะครับเด็กปุ๊ชุดอะไรใชุ่ดเกษรนั้นเขาแสนหนึ่งแม่บอกว่ามีอ่อนท้อด้วนั่นแหละ เดนี้ตู้โยกเงี้ยนี่จิดินเนี่ยเง้เกาสัวนันอนี่เขตเท ศ, เศาบาลานี่ยเงียองล้างติดกันเงี้นแฝดบักไหนมายน่ยซองยี่ที่ซีต้นเงีนยลัวขึ้นกันมาเนก่เกียัวกับแบบไหก็สร้างรู้กลางสร้างซองซองส้านแล้วก็เล่าอีกที่หองมาเ่ไปไท้ามัดเดี๋ยวนี่วะทีดินมาหันกับขเห็น่าเน่ยซีทีดินไม่อยะ เดี๋ยวนี้ชูยอยย่างยันสัตว์วะช่วยช่วยเลกแล้ววะกูว่าย่งจะตอกหัวทะเลกับตอกข้อทนแลวะทะแลเวาวางที่แล้วเดีวไปเช็ดลักสีด้วยอ่าเขาบอกยำยาใช่บ่มันมัดยาต้องเอาวางยาบ่สัตวมันพค น, คนพ่นยาเพราะจะเอาสุปปากไปเป็นสียไรบอกว่าัาว์คือดพดนน่ะนู่นนั้วมันแกนเขาตาจกดีกเลยเขาขุดเดียวว่าเขาเกียดแต่พดนเลยว่มันวางสัตวสร้างเล็กขึ้นกันแต่เขาตีเล็กสัต เขาโ่ดีตีบอลเดียวได้มาใส่กเล็กมืแข็งเขาก็บเาไฟดีเอาขึ้นรักแอนแทงหมด่าใส่แล้วเขียนไพสมไปซีกูว่าไงลูกหลานเนี่ยนะเขาค่ายให้อีนึ่งกบว่าจะไปญี่ปุ่นเธอข่ายทค่ไี่ว่าจักเกิน เน่กองแขนก็กเกาใจบวรานเราเห็นอะไรด้เนี่ยไปใช้เมือ่ะเหอใช้เวทอ่ะกองคับโครงใจบัวรานมนไปใช้เวทเาเห็นกองแขนกักงเกาใจบัว ร, รา้านไปใช้เวทนั่นนันเบี้ยวข้อมูลพ่อแม่เอาไปเอาไปเรียกเวทอ่ะน่น ทอดฮักลูกฮักหลานผ้าลูกผ้าหลานเล่นเลขเอยบัตรท่าหอตายหอดว่าไม่เงินซื้อกไแฟให้พระเออเล่นเลียนเลบัตรท่าตายไม่ไม่เงินซื้อกาไฟเลีนพระเลยเฮ้ยแล้วขับซบยังฆ่าเงื่อนอยู่มีเงินยังงเงื่นอนนอย่ประมาณพ่อสี่เห็ดบุญกลุ่มอยู่ถ้าไปซื้อเลยแค่น้ อ, นอยพ่อเดียมาตืมิม พอแม่เฮ็ดบุญนะพอห่าแม่เขาถ้ามาสะอาดบด อ, อดรอดไลยอยู่พี่น้องนั่นตัวเฮ็ดบุญนะพอหาแม่แล้วนี่ตัวหมว้นั่นโอ้ยย่าไปเฮ็ดพี่น้องให้เฮ็ดเต้าฮนี่หม้อส ม, มยัยมาปกายนี่มามหานีหลายปีแล้วโอ้ในนี้ข้าตัวเลนเล็กเก่งทะเ้เท่าไหร่วะตัวจะมาเลนเล็กได้ไะ โอ้ยเหมดหลายแสนหลายล้านเนาะว่าสั่งโอ้วั่เงินทอเช้าก็หมดอยงนี้วะรูปสีกับย่างรัวท้งเช้าบหมดเลยว่าสั่บานนี่นักสืเหรีเด้อมาเข้าวัดไปผ้าไหวตะกี่ว่าสั่งไปหาพระเหรียญเล็กก็ับงพูดละท่องพูดลกว่าสั่งาเนี่ย่วันพระเรเล็กนีเศ้าในบุ่กไปว่าสั่งว่ดว่าสั่กระโตเศ้าเนี่ยกระโต๊่าเหเลกเนี่วาท่นโดน่าท่านร้อยปีดอกว่าสั่ง ตัตพวกีเงีนยพ่อไส่เนี่เข้าที่อ้าปากไว้วาสันตัวใครมาขี่ตะปาเข้าเี่ยเมียตัวึ้นกันลูกตัวขึ้นกันนะนพี่น้องโตัดพดวัดวอกหรว่าขี่ตะหันวะตัตมกพ่อไส่พ่อซอยวะ่าเจะตัวเศร้าเอาใบมุกเยอะวาสันม้อยขัี้วอาปานนั่นกันเศ้าเล้ยววาสันเื่อเคยเห็นพูดใด้วอกปันี้่งเกลียดจัดกัเศ้ามาหลายปีเติมแล้ววะได้โลกสีหลยแล้ววะ ในล่องชีสอง ล, อลงละลงชีสองหลงสนุกกินสนุกทานวันมากินว่าททานสนุกบวานได้ได้ขึ้นว่าโดนดอกลก้มฟว้งวะสันคันนั้นวิทย์ปีนี่กับที่ได้เป็นไท่ว่าสันเดียวนี้หางเงินให้เพินเ่นวยวะันหางเงินใจนีวาสันคันวัดปีนี่เรา ไม่จะติดตั้งนากินท่านและสงแสงท่านตามที่เขาล่างท่านเอาระเป็นมีเป็นชิ้นพันุรดระบาดอย่างเงีะว่าโอ้ยสมมวตาประมานี้นาะวะเนี่ยมัเม่ยังยังจะไม่พึแล้วมัโตเียวเศ้าได้ซ้ำๆมาท่านมดสมัดเมื่อนาะมันเอามาพ่อ่มเนี่ยไปตลาดนี่พี่น้องนี่นางเจ้าม่อเมื่นี่ยไปตลาดนี้มันเอกมาพ่อพ่อากับวัดท้ายได้หมดเลยพ่อ ยืมพี่พกับวะห้ยืมนอพัดก็บวะห้เนี่พเห็นตัวทุกว่าัวเฮ้ากัวเฮ้าสี่มีย่าไทยน่ะอันพี่น้องเครื่องไกลเหมืนั่นมันตืนีเขาเหมือนแล้ววันเขาใคเห็นเขากรรี่แล้ววนนอเขากับวะไห้ยืมแด้ใบพี่น้องอะไรเต้าพี่น้องไม่ยุยุทธยุแต่ยุทต่้ามันพอสูได้เขาทุกไปตันี้นสูได้เลมันงัดไปตัวนี้ตันี้พปบมินบมิสนสูได้ ก็หงแ ม, ม่ชีมนับชิบมรูได้ซัฟฟ้ามันมีหน้าจำับหนวาบา ย, ยาู่เห็นยุทคคาว่าอึดเขาอึดเขาเนี่ยแต่พืชแต่พืชได้่มันอึดเขาเนี่เคี่ยวกินเนี่นอึดเขาอึดเขาเล้บ ร, ริยุทธออกกันเหรอบกว่าคำว่าอึดอึดเขาอึดเขาได้บริยุออกเด้เขาไปทำข้าวคั่วอาเมื่อไรเมื่อไรพี่นอกห่างเหยียบสอ เพรมันผู้ข่าวมีไฟเสีงว่ามีตาเนาะมีแต่จะรถขับในเนี่ยข่าวว่าเนี่ยมีแต่ผู้ขากับรบปูมหาเถอะล่ะซุนั้นมีตาัยักษัน่อือสเป็นเล็กนั่นขึ้สีเป็นเลกนี่อ๋อใชอ๋อขันได้หรอกเอามาให่ซอยได้เนาะซอตักตูว่าทำไ้อ๋อซอยาต้าวันี้เนี่อ๋อักผ้าเอาใด้ันนี อ้าวลยไคิดวเาเนบ้าน้าวจะให้พ <laughs> ่อในโม่โตไปซะทเลยอย่างชาววังจังหวัดภูลาบุรีตุเรียน่ตากาลงเอวมีอีตนังปดตาังอุปกรปิิตัิังกเมาะมสะุดูเรียนตุสักกับปลานดูอปนรไม่้กอเทยตากระบี่จิวับโน สัาเจาวัตัตรายโยธิศีิกาโยโบออาวีวาตนศีิกานิสังฟาชาโยกัตตาโรธมาวันติอายอโนสุขังฝลังเอาเร่ฮะเนี่ยมตัวยังสงสัยแล้วเข้าไปพระเล็กด้ยบแม่นบ่มูมหาบัอยาในสัมปโนฮะวัดปลาวัดตาด มีแต่เรากับหลวงปู่มหาเขียงเถียงหลวปู่มหาพูดเรื่องเลขเดินนี้เลยเรายังมีอ่อนรมอยู่หลวงปู่มหาบวดอนวัดป่าวัตตา นี่มันคนเอามาเลกเลกเล็เเเนี่มันคนเดียวมาแลกเล็กอะนี่บ <laughs> ่แต่ลดใจเพราะเราเอาทั้งปันการเรียนเขาจัดหน่อยมันมีแต่ตัวหัวทะเลี่หันผู้ชายก็เรียนเขาจาัดห <c oughs> น, น, าาน่อยมันก็ยังจะตัวหอวทะเลำหัน <c oughs> ไปพกอะไรมันก็บวเถื่อรอกผมไม่เจ็บตาน่าแพ้ผมมีมือจะเอาจเอายาพีชมาใส่มันกับพเขาจะว่าอังไแพ้ผมมีมือแพ้บมมีมือเออแพมมีมือจะเอายาพีชมาใส่มันกับพกเขาแพ้ไม่มีมือจะเอายาพีชมาใส่มันก็ไม่เข้าเลย เมื่อบ้าม่แผลรับดาฟีดมันกับบ้าอย่งนี่เงินยังไงล่ะเนี่ยเ ด, นนด็ให้เจ้าไปเล่นให้เจ้าไปเล่นนี่นเนา <c oughs> ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บ้เล่นบ่เออบ้าเล่นดอกเข้าบ้างหนเขากองจากอยู่เนี่ย คุณหมอเอยระหนะคะเป็นมอผรู้นี้มอสัอ่าัดไรแ้เปเลยมมุขะมุขะแปลว่าช ouais ื้มหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากชิ้มหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากมีเพามุขะ เพื่อได้เรนเลขเอามามันหมัดดีกว่าเอาไปเสียเลขเพื่ได้โบนเลีนเลขว่าเอามามหายขยาพ่อลูกพ่อร้านเลีนเลขเรียงมโนนกอันบอดีให้เขาโม่ห้างโม่ตาย ถ้าหวงผลทุก น, นาวตารทุกสันใครได้ขอเดี๋ยวคือมันไม่มาเขาจะเห็ก็ไม่มาเขาก็บังเห็ฮะแค่ก่อนเขาถามว่าการไม่มีลูกให้เป็นทุกข์นะก็เป็นทุกเหมือนกัน ถ้ามีก็เป็นทุกข์อีกครั้งหนึ่งมาให้เขากินถ้าไม่มีข้อเป็นทุ ก, ก, ก, ข, กข์นกในโลกอันนี้ทุกทั้งสองหน้าที่จะไม่ทุกข์กัปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เท่านั้นจะจะไม่ทุกข์กับปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ได้ใ น, ในโลกล้วนอันนี้จังิงได้ในโลกล้วนทุกขัง ได้ดรว่าอนัตาทั้ง Trump, อดีตทั้งอนาคตทั้งป um ัจ네จุบันอย่างสยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันถ้าโรคทั้งหลายเต็มไปด้วยความเกิดแล้วแปรปวนแล้แกสายผลัพ์ก็คือทุกอยู่ไม่มีกลงวันกลคืนอย่างนี้แล้วก็พิจารณาทุกความลงให้ใจเข้าออกอยู่ไม่มีกลาวันกล้งคืนพิจารณาอันิีจังอยู่พ่อกวลงให้ใจเข้าออกดยไม่มีวันกล้งคืนพิจารณาเป็นแต่สวรูปเป็นแต่สักวาเห็นพอมีแต่สังขารในกองทุกไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคล ไม่มีกางวันคืนเราก็เบื่อหน่ายครายหลงของจากตัวข้ามความหลงเราวิัญญาประทีต้องไม่มาตริดอีกเข้าสู่พระนิพพานใช่ไหนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญาเมื่อใดเห็นสังขารว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนั้ตามเมือให้ด้วยหน่อยเนี้ทุกข์นั่นแหละทางแห่งวิสุทธิศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิศีลกับศีลลงในปัจจุบันที่ที่พิจารณาอยู่สมาธิตั้งมั่นในปัจจุบัน ปัญญารอบโลกในปัจจุบันจะพิจารณาอยูย่รมหายใจเข้าออกข้างเดียวเห็นใจโลกธาตุชัดแล้วมีทั้งเกิดขึ้นแปป่วนน่นแตกสลายเห็นทะลุภูเขาด้วยเห็นทะลุแผ่นดินด้วยเห็นทะลุพรมโลกด้วยสัมันตายสักสุสักสุรอบครอบปัญญาจักสญญญญุสักสุคือปัญญาปัญญายักบริสุทธิ์จิบุคคลจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญา บุคคลจะสร้างความสงสัยตอนไหนๆก็คือปัญญาบุคคลจะสว่างสบายในจิตใจก็คือปัญญานาทีปัญญาสมาธิอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงพระอาทิตย์แสงเดือนแสงดาวมีที่กำลังมันก็ไม่สว่างส่วนพระปัญญานี่สว่างไปหมดสมัญชัยจักพูดจักพูดราบพ่อเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยเอาตัวปัจจุบันเป็นเป็นประกัน มีทั้งหนังมีทั้งเขาด้วยมีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินด้วยคํานะสนอนของพุทธศาสนาสอนให้ต่อสู้กับความหลงของตนไม่ไม่แช่สอนให้บวกความหลงของตนพวกเราไปเล่นบัดเล่นเบอร์เล่นโบลเล่นเบเราไปบวกความหลงของตนไม่ใช่ต่อสู้ความหลงของตนเพราะยังไงเพราะหลงว่าจะเป็นทางเจริญนะค่อยๆกับเราจุดตะเกียงไหวหรมอไม่แมลงอะไรมาบินเข้า มันก็บอกก็ไปทางเจริญเขามันแล้วก็มันตายเป็นกองกองเล่นะนั่นะอันอันเดียวเท่ะไร่นะความดีคนดีทํำง่ายความดีคนชั่วทําำยากความชั่วคนชั่วทํำง่ายความชั่วคนดีทําำยากตรงกไป รเร า, บบาก็บาป <S 2> <S 2> มันก็บาปทั้งทงมันก็บาปเราก็บาปเราบาปเพราะจับมันบาปาก็รกักเราก็ทาทำความดีแก่สังคมถ้ามันทาบาปทำกรรมกับคมในความดีนีมันจะมาล่ลางแบบล่างไม่ได้เพมันก็อยู่ข้อใครข้ามานร่างไม่ได้ถ้าไม่จับ ก, ก็ไได้ถ้ารักแล้วก็ขโมยของชาวบ้าน มันก็บาปมันก็บาปมันก็บาปเพราะจับมันมันก็บาปเพราะรักบาดบาปน้อยกว่ามันแต่ว่าน้อยกว่ามันเห็นีเรายเฉยๆอไม่ยเฉยๆะตรวจก็ไม่ต้องทําอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นมันเพราะเป็นอะไรก็รมันเพราะอ่อน่วงระเบิดเช่นห้านั่นนั่นถ้ามีเชนห้าักษาอยู่มันก็ไม่มันก็ไม่เต็ม ก็อยู่กัหลายหลายคนเนี่ยเมื่อคนอื่นคนละเมิดศีลน่ามาแล้วมันทให้เราต้องเดือดร้อนอ่ะตวก็ไม่มีสิทธที่จะทำเพื่อที่จะเพราะว่าเราสัจรรมก็บอกแล้วว่าพระเมรั ย, ยคือศีลมันเป็นเหมือนนายช่างผู้ฉลาดร้อยดอกไม้ไว้สีเขียวสีขาวสีแดงอะไรเพราะเกิดต่างตระกูลกันถ้าไม่พระเมัยถ้าไม่มีพระเมรัยแล้วก็อยู่ในวงพระเวรัยคือเชือร้อยนะมันก็งาม จะมีกี่สีกี่ขั้นวรณะประทางในชั้นจึงมีพระเวไนยไว้จึงมีกฎหมายก้หมูไว้กฎหมายก้หมูกฎนซับกฎพวกถ้าตั้งขึ้นไม่มองดูพุทธศาสนามันก็ไปไม่ได้อีเหมือนกันเถงเหมือนกันล่ะเนี่ยคนในตำรวจก็บาปอาชีพบังครั้งะอาที่ก็บงคังอให้ทำาปไม่จับก็ไม่ได้ก็ทิดนะ ก็บาดเยอู่ไม่บาดมากไม่บาดมกบย้าดมากจะเจอเมืทางพสครับวาธีวิเยต้องอาบะเมื่อทางวานียรมาปลาัปลงอไราบัก็นอกจากอาบัติาราคิสจงปงได้ก็นอกจากอาาราิถ้าฆ่าทิศเด็กก็ต้องอยู่กรรมกันจะตาย แต่ยังอยกรว่าถ้าไวจมาจับคนรายรงมัาลงได้โรงพาบาลก็ปงได้เล็กน้อยบอกว่าจะสํารวนต่อไปเฉยๆไม่ไม่แค่ว่าเราไป่วงเาเมืแล้วมันจะไม่เป็นบาปมันเป็นบาปเฉยๆแปลว่ามาแสดงต่อหมูเพื่อให้หมูรับเข้าหมูเฉยๆต่อไปกับตารวจระวังดอกไว้อาทแค่อนามจิดอยู่ปงแล้วมันก็จิด อ, อยู่นัอนกันแปลว่ามาแสงดงให้หมู รับรองเข้าวโม้เฉยๆนะไอ้เตียงพันเจสักวันเลยอะสัสโตเธอตรงสำรวม น, น, นะคัดเก่าก็ยัง อ, อยู่ติดอยู่แต่ว่าต่อไปจะไม่ทำอีกอีกก็ต่อไจะไม่ทําเรียดอีกเพื่อรับเข้าวโม้เฉยๆแต่อันนั้นมันมันก็เป็นโทษอยู่นะส่วนส่วนปลาคิดรับเข้าวโม้ไม่ได้เลยไม่ใช้แล้ว แล้วก็ยังบอกว่าหมอทํามันให้บบาปเีาปแบาอย่างนี้นี่ตายเป็นอะไรคะทีี้เราเรียกว่าฆ่ามนุษย์อยู่ในตัวทำหมันนะฮะทำหมันมันยังไม่ปิดตัวเลยูมมันยังไม่เป็นตัวเหมันยังไม่เป็นตัวมันก็แตกสลายสิทำหมันทำหมันนะทํามันนั่นแหละไม่ใช่ทำแท้เลยถกเกิด ตายเกิดมาชาติหน้าอีกเกิดชาติหน้าไม่มีบุตรเป็นเป็นคนเป็นเป็นคนมันเป็นคนกระเคยครูคนหนังก็ไม่มีการทำหน้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างเเป็นคนที่เขามีฐานะดีคนที่จะเลี้ยงได้เนี่ยเลี้เด็กดีของประเทศชาติได้เนี่ยนะคะมีเวลาที่จะฝังสอนมีอาหารดีๆให้เขาเป็นคนดีได้เนี่ย แก็เห well, so, so, so er ็นแต่ถ้าหากว่าคนที่เขายากจนอ่ะมานถูม like mm ีลูกแล้วห้าคนอย่างเงี้ยแม่กาแย่แล้วอะไรเงี้ยถ้าป่อยเขามีอีกไงี้เขาก็ดิ้นเกิดปัญหาเกิดเขาพยายามทำกันสีเขาพยายามทำกันสีพระพุทธศาสนาทําคนให้เป็นมันแล้วพวกสิงียเสียนห่าพวกสิมงเงี้เสียนห้า วันพระเขาก็ไม่สุงสิงกันเขาก็มีขอบเขตที่นี้่เขาก็ไม่ได้ทําเขาไม่ไม่ได้รอบเมียรอบผัวเขาไม่ได้รอบพ่อรอบแม่เขาพวมีชิ้นห้าชิ้นห้าทำคนให้เป็นหมันแลนะ้วเนี่ยปศุอาวุธเวนภัยแล้วชิ้นห้าปานัดิบัติกระดอาวุธเวนอธินาทานกรดอาวุธเวนเวนแล้วกาเมสทวิชาการกรดอาวุธเวนแล้วมุสาวากรกปดอาวุธเวนที่พูดกดแล้ว ทุรากบะดอาวุธเวรที่เป็นบ้าเนี่ยเสียขับก่อการทเท่าไรว่าเกิดโรคต่องเตียมมารูตากรารของร่างา น, งนะแต่อัจกิิยะของตนมันระงับเลยแล้วก็ไปทำกันเรื่อยพระพุทธศาสนาบอกให้ระงับกิเลสเนี่ย พ, พวกร้านไม่ระงับเหลองปูงนอย่างหมอเขาเป็นหมออย่าง อ, า อ, อ, ยอยู่โรงพยาบาลเนี้ยคนไข้เขาให้ทำบันแล้วละทบายเพรากัน่งสริมการทบันแล้วเราไม่ทาแล้ว มันไม่ได้อย่างีู้แล้วมันจะบาปมากเงี้ยเหรอบาปเขาอยากเกิดไม่เขาเกิดไม่ถ้าทํามนก็อย่าไปทากันเสียถ้าไปทากันแล้วก็ทาน้ำสุกะเนี่ยให้มันให้มันตายจากมันมีวิญญาณอยู่นั่นวิญญาณปฏิสนทธิไปอยู่นั่นรู้อคยนนี้คนก็บาปนเยวเลยแล้วาทหมนกันทําแค่ทคนมันก็บาปไนหมดอ่ทั้งโลกบาปหมด ในเช้านพระปรมาศาสตร์เวลายิงสอนให้พิจารณาอสุภะอสุพังตะโกร่างกายเพื่อจะถอนความกําหลักความรักไข่กันให้เห็นเป็นของไม่สวนงามมีแต่ของโูดของเน่าอย่างเนี่ยเพื่อจะทำลายอันนัะเพื่อจะทำให้เป็นหมัน อันนี่การอาบนา้ำปฏิเสธไม่ได้เหนไหพราะร่างกายมันชกกระปกโสง ม, มการปฏิบัติศีลธรรมก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกั น, พนกกกกเพราะจิตใจมันชกกระปกจิตใจชกกระปกพอเอาศีลธรรมท่านั่งขว้างล่างนอกจากนั้นมันมีอันใดจะล่างมันจะไปเอาราขะล่างมันก็ไปเพิ่มจะไปโพะร่างมันมันก็ไปเพิ่มมันก็ไปเพิ่มอีกจะเอาโมหะไปล่างมันมันก็ยิ่งเพิ่มใหญ่ได้ จะมีกี่ล่างคนก็ตามนีม่จะท่าดีน้าปลื้มเท่านั้นส่วนี่เลสก็อีกเรื่องนึ่งใครมีมากก็ออกมาอวดกันมากใครมน้อยก็ออกมาอวดกันน้อยมีน้ ำ, ำซ้ำไส้ง่ามเพลินนุ่งน้อนอยหุ่มอวดจะหีไส้ง่ามยิ่งง่า ม, สมเสมอนไงโอ้ยไปเป็นตะเบือเห้า ไสเผ็ดยิ่งเผ็ดเไม่หายห่อนั่นหาไม่หายห่อไปกวดว่าไส้เผ็ดยิ่งเผ็ดเขาห่อไปกวดนุ่งหูมเอาดึงแจ็บไคหัห่มกับหีนั่นแหะไส้างามเพื่อนเฮ้ยวอามาเนี่ยหอย่อจะเบื่อดินุงหน้อยพิกสุตรงนุ่งห่มให้เรียบร้อยนุ่งห่มให้เรียบร้อยนั่นคืออะไรคือเหนือทางเหนือกางเตะผ้าทะบงเนือสดือข้างล่างเพียงครึ่องแค่ เดี๋ยวก็นุ่งขอมให้เรียบร้อยผ้ <c oughs> าจีวรก็เหมือนกั น, น, กนจักน้อยนี่บัวตังบตอ ง, ตอง น, าานุ่งผ้าเครือ่อมานี่หละฮะมันสบายดีป้าคนโตย็นเจนโหลดขันพักกันมกักกังสั่งถือว่าเป็นของงามว่านะสั่ที่นึคงคนเจ้าเปนเอาอวดออกกันมันลดมันลด ซึ่งเาบอกจะทำชนาปัญญาเงี้วันเหรอแมอ่นบะฟ้อนรับัวละเพลินแม่นวะน้่เพ่นมองไปเพ่งน้ อ, เ, เ, นอเขาบะนุ่งนอนย์ไอ้เขาไปเจออุ้กเหรอไปเจอถึงขั้นสอนข้าเจ้าห่อยกทงหลาถึงข้สอนเจ้าปตะอุ้เหร ว่าร้อนๆนะ่เฮาว่าปันเนี่ยมันจะสันไก่เฮาคักว่าหรล็อปูบอกว่าสั้รวบในีลอปูอปเพลนเพียนหดนักพีโรกกีโก่โแล้วหัวน้ะว่ความรับผมอย่ในโลกก็ถินน่นี้ังไงเลนเรกเรนพลาบกิ้มพลาเห็นยุเนเกเรี น, ร น, านพาบกหยิ้มพลาเห็นหยุด เธเห็นไหมนะพระพูดเพ่งเผงอย่างนี้ไม่มีไม่มีมมถูกไหมฮะก็ฟังนะพูดถึงแก่นถ้งสารนะ่ะฟันไม่ไม่ถึงแก่นัม่ไม่ดีถ้าอัตมาภาพอัตมาภาพมันก็ล่มจะภาพจะภาพเรื่องใสไปเลย <laughs> นี่พูได้ว่าอัตมาภาพนียนะว่าล่องปูหลุดบาเนีเ่ยล่องูล่องตาลงหูล่งตาลงพ่อ ค, บบคักว่าไงเพื่อนยังจะแกว่าไงอย่างถ้าไหมันจเจริญพระพุทธเจ้าออกมาสอนหมดแล้วอีพ่ออีแม่กูเอ๋ยอืเขาพได้เจาบบ้ากว่าไงสอนของเอถ้าไ้นมันเชื่อมพระพุทธเจ้าก็สอนหมดแล้วจากเขาสู้พันธุพนว่ามันเขาสู้พนพันธแบบแบบงโงๆเลยวอกฉันว่า พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็มาสอนคือนเก้าอีกคือนกันว่ามันเปลียนพ่อระบกันเพราะมันเป็นท่าม้าที่ป่าต่ายเพาแห้งล้วเพระมันเป็นประชาทิปตยเป็นท่ามาทปไตยเป็นดิ้งแล้พราะแห้งแล้วพระพุทธเจ้าบอกอีกต่างละ่านพระองค์ก็มาสอนค้าเก้านี่างว่ได้พิสกันเลยว่าได้ลบล้างพ่อระบกันว่าได้ตั้งก้นไมไหมว่าได้ตังก้ทําไหมอันหัวนี่ตั้งตุปปีตุปีเมื่อก้เม่อกี้ทะเลทะเลทะเเพราะมันเป็นอย่ง เพราะมันบอเป็นท้ำพ่อทิ้งไหนเป็นท้ำแล้วบางบางคอมันเป็นถ้ำยก้อนไม้เขามันบกเป็นถ้่เนี่บาปไม่สั่นกบตัวบอสัตอาเขียนตัวปอไว้บาพยุคนยมันยุคงอใจมนุษย์เฮ็ดอ่ะบุญกตัวบอสัตยอดผู้หญิงยืน้ำตัวตับอสัตรู้หมแต่ว่าการเฮ็ดผมันเฮ็ดยน้ำใจของคนไปนั่น บุญเชิญไนว้เมื่อก่อนบุญเชิญไว้มอกนบบาปบาปก็บุญมันยู่งวใจคนมันคนเห็ดหรืเปลาเขาท่นอ๋อใครไม่เชินหาบริเลบุญเนี่ยทเห็ดแถมมันหลมาตาตายเังรอมันแห้งท้องยากคนหมายถ้าเนียน้าต่าท่านทรียาต่าไปสู่พระพุทธเจ้าไปทำเป็นโรคบาลปุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่บากเท่านั้นจะปุ้มครองโรคได้ ถ้ไม่ละอาตว่าไม่คว้าตวาแล้วก้อนไม้ก้อนหมูก้อนพักก้พวกก็ตั้งมาอยู่ปู่ของทําไม่นําคํานึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําคนช่วยในที่จ้างไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นน่นนั่นพระพุทธเจ้าออกมากินแล้วนาะนั่นนั่นนั่นั่นนั่นเป็นโรคการบานคุ้คลองโรคคือลูกระเบิดนิวเคลียร์เนออลูกระเบิดปรมาณูเนอะเอ็มเท่านั้นเอ็มเท่านี้พระพุทธเจ้าบริวารน่นั่นนั่นนั่นนั่นเท่านี้ก็พ่อแล้วเนี่ยนั่นๆ่นน ตายจะ เ, เกิดตายจะเกิดเราก็ไม่เห็นแม่ดทรายเกิดเสื่งลงทงั้งพระพุทธศาสนาผีเฮาบอกไปทักไรห้องขอคล้องดี่ะไปแก้ตัวหนึ่งคณะกู้เสียาอาหารไปพกรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากก็พูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าข้ากเนนี้เจ้าผงเก็บเขาผงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเหวนยญตามเดิมนี่เจ้าไป ม, มีประโยชน์อะไรแก่เรา สู้แต่เข้าวสุก ข, ข้าวสารมาเล็ดเดียวก็ไม่ได้มาแล้วก็คุ้ยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆ น, นี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช่ถ้าไม่รู้จักใช่แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้เหมื <c oughs> <c oughs> อนว่าพุทธศาสนาเนี่ยเฮ้ยสุรัตถีเข้าไปในเรียกไม่ได้รักเพราะว่าตัวเราแม่นน่นอนมาแล้วเขาคุ้ยเขี่ยไปในแปลงอื่นอันนี้เนี่ยไม่แน่นอนนั่น มันเปลี่ยนวัดมันเถ่ามาแล้ยมันใกล้จะตายแล้วบอกก็มู่งก่อาารายกันแล้วบอกถ้โตก็ได้่อาารายเนีตั้งใจพ่อหน้าท่านละ ก, ก่อขบวนก่อร้านา ก, กับพี่ก่อน่องก่อรายแล้วก่อาารายจะตั้งฐานลงสุดรายเต็มสไดรายค่ะตา้งฐานลงถ้าไม่ได้ของพระองค์เจ้ามีร่วมกั น, น เ, เนี่ยห้อยใจเขาแตกมือจะประทับมาคันขันลงมาให้หอใจเนี่ย นอกจากใจว่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรทัดทําลายใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะปฏิบัติใจนอกจากใจเขาไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของใจใจก็คือพระผู้เป็นเจ้าในเองทําขึ้นความดีความชั่วนะพระพุทธเจ้าสอนสี่ตรงหนีแน่ไม่ได้สอนสี่แบบเบื้อื่นคนมาใบเสียจริบพิจารณาโทงเจ้าก็บอนเพราะมันมีขืนชีรับนะเ้าสงสัยไปไส ท่ดีพระศิีเป็นผูมิอิสระทำขืก็เฮ้าเมืนกัเฮ้าสิมีใจถึงจ่ทั้งทำชัวว่แทั้งทำดีเฮาถือไม่ใจถึงบ่คนเฮ้าใจถึงทุกคนเพื่อน้องม่ใจถึงทั้งในเลกเพื่อน้องม่ใจถึงทั้งเล็ผู้ใจถึงทั้งในเลกกิบมหายเอ้ากิ้มหายเอาผู้ใจถึงทั้งเล็กไมกิ้หายไปเบิ่งคู่ขุนผู้ได้สิมีเงินทอเรามัดมุกเเราเนเลือได้ห่าตัวไปใกล้เราได้บ่ ย่งางเราไปย่งางไปก็ บ, บอกหอดบังคักเราคนเราบริษมตัวคือม่เฮ้าเด้รถมอเตอเรานะั่นเราก็ซื้อขั้นหนึ่งหมดเมื่อไหรบ่รถไเราบมาซื้อสั่งนั่นแ่ะแต่ช่วงเราเหรีเหลี่ยมกงนดมือหนึ่งกว่าก็เสาเมือหนึ่งถือไฟหมดห น, น่ะเราผู้คุณนะ่ะเราก็เหรนเนยนั่นแย่างย่างอันดีเลผู้คุณดูจักประมาณตัว ยากระพวสูบมากับว่าเขี่ยวเบับบายัางพวกทุกประเภทห่ว่าเลยว่รเรียน <Okay. S 1> เป็นของวัดของพระตัวพระก็คือการเหตุนั้นฉันจึงนี่จึงไม่ได้ไม่เข็มไหวสาหรับพึ่งตัวเองมันขาดมานศิลปะเด็ดสุอจึงไม่กองเหลา่ากองเข็มไวขก็ประหยัดเป็นเหตุไม่ให้ลืมตัวสวยครับพวกกระซับได้มาโดยทางที่ชอบแล้ว <น>เรื่องตัวมาดาบิดบาบุตรภรรยาบอกให้เป็นหลบเลี่ยงเพื่อนสูงให้เป็นหลบบัมบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุ ต, า ต, าตา่างๆทําทีให้ยาคือปอยาทิพีสงเคราะห์ญาติอาชีพิพี์ตอนรัแขกผู้อาภีระพีธรรมลอุทิเทพผู้ตายราชบพีถวายเป็นหลวงมีเสียข้าก่อนเป็นต้นเทวตาพีธรรมุอุ ท, ท, ท, ทิเทพเทวตาบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้บบอบเนษะรรจพุทธเจ้าบอกไว้วัดในวางพอกระเม้าพุทธเจ้าก็บอก ท่านเรียกมาแล้วเรียงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงตระกูลวเพื่ตอตนให้เป็นคนคนรับทราบมาแ ล, หล้หอกมท่านหวงลับไปแล้วสบุนที่านท่า น, น, านสวนพนุเหตุกระเพ้าหนึ่งห้ามกระทงความชั่วให้ตั้งเน่ความดีให้ศึกษาศิลปาริทยาหาภานยาและสามีที่สงควรให้มอบทรัพย์ายในสมัยพ่อแม่ห้องผูที่เก้าสอนมัดการคมีูที่เจ่าสอนเนไหนผู้ที่เจ่าบอสอนบอนีนั่ส น, ม น, นสมมุนักครัจรึงว่า ส, ส, าาสัจจะเทวมนุษยชานัมนุษยสอนของเทวด า, ามนุษทั้งหลายพระไม่ควรจะเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนเราก็มีคำแ ย, ยกแล้วจัะในระหว่าง พ, ะพระจะปฏิบัติต่อพระในระหว่างโยมจะปฏิบัติต่อพระก็มีด้วยกายแะกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา ด้วยวจยีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าวัานเรือนด้วยให้อมิตรสถานสมณะพรามได้รับอํารงเช่นนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คารวาสหนึ่งห้ามไม่กระทําความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่หกบอกทางสวรรค์ให้ น่ะพระพุทธทานศาสาสอนมีตั้งแต่เนือ้อโมเสกกระดูกเลยไปขี่กระบกไปเหยวกระบกสอนพระสอนโยมการเดียวกันผู้ใดถึงพระสวัสดิบาลผู้นั้นโมนเสดายลวงละเมิดศีลหาโมเสดายอยากเปี่ยนอรบาทยมุกโมเสดายอยากลวงละเมิดผัวจาของเมียจากข อ, จของมันอยู่ในศีลหาเดีวอันนั้นมันต้องออกกันได้นั่น เออว่าเสียายอยากสาบแช่งผู้ใดไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งใครนั่นภูมิพระโสรารวันดูคลรวาดวันที่โตคลรวาสวังวันที่เป็นผู้คลองเรือก็คือคารวาดนั่นเองก็คือพระโสดารวันนั่นเองนะสกทาคามีอานาคามีคลองเรือนในท่า น, นไม่ไน้อยแต่พระรหันพระรหันท่นานไรคลองท่านที่ลมพานไปใช่ไหมไม่น้อยแต่ท่านมาบวชท่นานเพราะขลรวาดไม่สมฐานะของท่านจะไปอยู่ส่วนสกทาคามีอานาคามีสมฐานะที่จะอยู่ ตลอดชีวิตได้นัน่บ้านนาลันทาาักขามบ้านภาษารีวมีพสสระโสดาวันสกภาคามีนาคามีมากและข้างพุทธการกุงรัตนคึก ก, ก็เหมือนกันนั่นนั่นันนนทิพ ร, ราปายนักกรคนพานแค่คนหัวหน้าปญิตาปรายการบัญชีเท่า น, นั้นเป็นคนหัวหน้าหัวหน้าในด้านไหนก็เหมือนกันด้านบ้านก็เหมือนกันด้านโลกก็เหมือนกั น, กนด้านธรรมก็เหมือนกันนั่นน ถ้าเห็นว่าคําสอนพระพุทธศาสนาเนื้อคําสอนใดๆทางปวงแล้วการคือพระพุทธศาสนาแมันก็ไม่ลําบากเพราะมันสงสัยว่ารัฐที่นั่นจะดีกว่ารัฐที่นี่จะดีกว่ามันก็อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, าง น, านี้อยู่เสม อ, ม, อมันก็ลำบากสิเขาเดินไปเรืยเร่ยๆกลับไปไ <laughs> เขาเดึงไปไหวพ้พระกลับไปเน่ รถเป็นไม่สักขีก้ายโม่ไม่รักว่า น, นเหรอพะญุพชิวจได้ค่นว่าไปทาห้อเพราะว่าในยังคาวโลนนั่นถือเลยท่านคนนี่ถึกเลยท่นนี้ต่อมา ว, วันสมบัติยังของคนวันได้บอกเลย ข, ของเนวันได้ผ้าเรียนเละนม่โต้เป็น ว, านนนวน่าพระโต้ ว, ว่านเหรมู้โต้เบงขี้นาเขาไปยังมันพระเล็กว่าถ้าเปครั้งคั้งู้เขาหมอยตาย เบื้องดูเอาพะยังสีบอกเป็นพาเล็กเนาะพระลอกินข้าวต้มขนุ่มเขาพรเล็กแม่บ่กเบิ้องหาวข้างดูห้ิจัยไอ้แลอ๋หเบงพระังสีบอกพาเล็กเด็กว่าแม่นีด้เฮาอ่ะปัจิุบันเพื่คนทุกนาวตาสงสารเนี่ยบิ้องข้างดูมโตเข้ามาเขียดอกเนาะที่ตาบสีเข้าเียเนาะนี่เบิ้องมันว่แม่เนี่ยเฮาอ่ะอ่าเราอาหารเนี่ยเพียงๆละนี้เข้าบาเป็นพเล็กเนีย คเเฮกว่ายินดีน้ารูน้ำหลานนพี่น้นองเด่นื่ออยู่เทาเห็นดีเทามันพิดอ่ะบอกท่าว่ามเมท่มันทางเหเยเทาได้บุญยเสมอเทาเทพพี่เทพน่องอเพอ า, าเทาทุงเทพหายได้พี่น่องว่าเอาไปนความอพิดของพี่น่องมัน่นเถอะื่อฝนอ่ะมันตกลงว่าตามการมันเ่ะเพื่อได้ว่าอา่าน้ำต้องเอาไปเรื่องของ ของฝนวันวันผมมีเรื่องของฝนวันหรอกนี่คือกันเทศทามแล้วว่ให้เฮ็ดอะยังรู้ไปเฮ็ดดวบาปหลายที่เฮ้าบด้บาปแล้วเฮามีแต่บุญอวยต่อยเฮ้าจิตใจเฮ้าวัติภัตนาควมคมิดด้เฮามวจักทั้งจะเรื่องของฆราวาสทังเสื่อมของฆรวาสเท่ากังจักขณะ้ามจักทั้งจริญทางเสื่มของฆรวาสอนุตรังพุนยักเขตังโลกัตสาติเป็นนาบุญของโลกมันก็เป็นหน้าบาปของโลกองตัวขจวองของัต้างน่นักนัก นักพระพู้เป็นเจ้าใจนี่สร้างขึ้นคนดีคนสัวพระพุทธเจ้าว่างสิทำมุนแล้วก็ไปอยู่ใจทาบาปแล้วก็ไปอยู่ใจใจไมไ่ต้องเ้าข้ อ, อยากมือนโคและกระบื้อหนัก นักเทอดอกเกล้หัวนำอะความรับไม่มีในโลกถ้ามีเกต็ดแต่น้าจได้เฮ้าก็จัหัวจางเกินนี่แหมันมีแต่ับาหกับใจวันนี้นะฮะนะคำว่าจิตเป็นภาษาบารีคำว่าใจแปลเป็นไท้ยแล้วเออตัวเก้าละ ฮะไปไปชุกไปชุกไปเลอกกันทีแล้วตป็งไงเนี้ยไปมันชุกมันชุอยู่ชุกเมื่อไน เพ่อันุสังขปายัทูนาโาไม่โศยาสภิวันรวม่อารัยโศุนโายกโออภิวานสีนิสิังาาตตาลมาวัชันตินยโังัะนเพ่นอุมพอพอไม่พ้นวับแขนพารถเลย เออเออเงี้ยเที่ยงบุญเที่ยงกรรมไม่จะใครกับหรอมันเทียงบุญเสี่ยงกรํมเชิญจดหมายไปหาเอาไปหาหาเอาไม่งัอนก็ฝากไปหาเอานั่นเป็นห่วงเขาอ่ะไปมันเทียงบุญเที่ยงกรร